เหมือนว่าหมดกามมราคะหลังจากเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4ีวันเต็มๆก็ไม่แสดงความกำนัดยินดีขึ้นมาแต่อย่างใดถึงจุดนี้ท่านกล่าวว่าทาั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไม่แสดง มันคอยแต่จะยังเข้าหนังห่อกระดูกแต่เราบังคับไว้ให้จิตอยู่ที่ผิวหนังนี่พอถึงคืนที่สี่น้ำตาร่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ยินดีนะมันบอกว่ายอมแล้วด้านทดสอบก็ว่ายอมอะไรถ้ายอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิ ยอมอย่างนี้ไม่เอายอมชนิดนี้ยอมมีเล่ยเลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมนะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดยินดีเพื่อจะรู้ว่าความกำหนัดยินดีมันจะขึ้นขณะใดาเราจะจับเอาตัวแสดงออกมานั้นเป็นเครื่องพิจารณาทอดถอนต่อไป พอดึกเข้าไปดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปแต่ไม่กำหนดพิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้นสี่วันเต็มเต็มเพราะจะหาอุบายทดสอบหาความจริงมันให้ได้พอสักสามสี่ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่สี่มันก็มีลักษณะยุบยับ เป็นลักษณะเหมือนจะกำหนดในรูปสวยๆเงาๆที่เรากำหนดติดแนบกับตัวเป็นประจำในระยะนั้นมันมีลักษณะยุบยับชอบกลสติทันนะเพราะสติมีอยู่ตลอดเวลานี้พอมีอาการยุบยับก็กำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆนั่นมันมีลักษณะยุบยับเห็นไหม จับเจ้าตัวโจรหลบซ่อนได้แล้วทีนี้นั่นเห็นไหมมันสิ้นยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกาหนดขึ้นคือกำหนดยุบยับนั้นเป็นแต่เพียงอาการของจิตแสดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ทำอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นอยู่ภายในจิตพอเสริมเข้าเสริมเข้า มันก็แสดงอาการยุบยับยุบยับให้เป็นที่แน่ใจว่าเออนี่มันยังไม่หมดเมื่อยังไม่หมดจะปฏิบัติยังไงทีนี้ต้องปฏิบัติด้วยอุบายใหม่โดยวิธีสับเปลี่ยนกันทั้งนี้เพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้จึงลำบากต่อการปฏิบัติอยู่มาก พอเรากำหนดไปทางอสุภานี้สุภามันดับพึบเดียวนะมันดับเร็วที่สุดเพราะความชำนาญทางอสุภาษมาแล้วพอกำหนดอสุภาษมันเป็นกองกระดูกไปหมด ท, ทันทีต้องกำหนดสุภาความสวยงามขึ้นมาแทนที่สักเปลี่ยนกันอยู่นั้นนี่ก็เป็นเวลานา น, านเพราะหนทางไม่เคยเดิน มันไม่เข้าใจก็ต้องทดสอบด้วยวิธีการต่างๆจนเป็นที่แน่ใจจึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้ทีนี้